อยากนี้ไปท่านทั้งหลายจะได้สดับรับ พระมหาวรวิทย์วรปัญโญต่อจากนี้ไปขอเชิญ อย่างหูมากำเพียร ต่อไปนี้ขอ ห้อดเบอปากเบอเบาหักหลักหนังหลับไหนมันฝ่าหลับไหลฝันฟังกระยอมไข้กว่าใจเบิงไปเบอถึงเมนค้นล่าสาบวุกเมนใจทอย ขอฉะนั้นขอให้มั่นใจ มัวให้ฟังเพี้ยงเหล็กน้อยไผ ท่านพุทธบริษัททั้งหลายจากนี้ไปท่านทั้ง จากการเทศน์โดยท่านพระอาจารย์สุริยาธรรมะวังโสพระอาจารย์มหาสุภสิทธิ์มหาปัญโญพระอาจารย์มหาวรวิทย์วรปัญโญจากนี้ไปขอเชิญท่านทั้งหลายสดับตรัส สาโถชนท่านผู้คอยฟังตั้งให้ มาทดเห็นหยังแล้วแนว ตอไปนี้ขอ หวอดเบอปากเบอเบาหักหลักหนังหลับไหนมันฝ่าหลับไหลฝันฟังกะยอมไข้กว่าใจเวิร์ไปเบอถึงเมนคุ้นล่าสาบวุกเมนใจทอยนี่เตอถอยกับถอย เพราะเฉะนั้นคอยมันัใจจีดหลานสุพสิทธิ์คอน้ําจงรับฟังไให้เสศ็จเสียหูมลิน้นช่มไหม่เพีย้ยงข้าวเดียวกับผีกแพ่ ม้วยให้ฟังเพี้ยงเหล็กน้อย แต่บอร่วงลำแถงหลืดแล้วหนีหายพอกะวีกำลังเขียนหลอกเยียนงำวันข้ำพอมันสี่คือหรือบอเชื้นเอาใจต่างใจเทศเรื่องภีปะหาย ส่วนครรยาของเมียข่อยมีน้ำจ้าว่าบุญ มีลูกสาวคนหนึ่งด้วยน้ำมันว่าบุ่นกว่างสองซ้ำคุณหลวนตัวข่อนกอบกอยกล้องกรรมอย่าคู่ทําหลวงตะบึง โخرคินเห้าอ้าจริญเห็นหоз่าง ว่าเย็นอาจารย์ตำผู้ละห่ามผ้าศรร์เกลงคุดสุล้ายอาจารย์ตูบ้านขายทายจะว่าปั้นต่ายเห็นเลยก็เป็นต่างเฮื้อบัดออกมาผัดเซ้าเขียว ฝังฉลากนั้น แฮงเว้าไปพัดแทงยงตําบักหุ่งกระทอน คั่นได้ทุนขึ้นมาว่าสิเสาบ่ยอม นั่งล้อคอยเฒ่าอันนั้นพอตอนตื่นมาหาบ่แม่นตายแล้วหรือ พันละน่าแต่เพียงยนต์ขึ้นว่าโดนทันสีในน้ายต้ำรวจออกตัวดแล้วขอเอาปีไปเสียงหมอนเพิ่นน่ะเข้าพันก่อน เจราเนี่ยเหมือทุกเขาว่าเขียดไตยจะเคือถือว่าเสือบท้าส่างกะหรืออิสือรอกบ่าเศราคุณเมตไตย ด่าเจ้ามืออีกจักครั้งเอาให้พังเป็นแถบ โอกาสมีจั่งค่อยม่วนเพลวันค่อยนะสิไว้ก่อนแล้วละนาสาธาอยู่อู้วอู้ว Bota and วัดแหน่จะลือนสุขทุก โดนโดนมาเด้นพอจือกันเพียงด่ามเทือบจะนี่เมื่อก่อนค่อยเป็นคมบ้างไม่ค่อยเกินแต่พอดื่ม ผู้เพิ่นพร้อมไก่อ้วนผู้เก็บ คนน้อยไหลกายมีคนปลูก คิดปาเว้าเป็นเพื่อนคือคิดคอดคั่ง เจ้าประสัง podemosดูกrate โอเค jednak اء ตำถามส año ๆ พวกคาจิ้นทั้งเว้ายังบ่เหนื่อย พวกที่ชอบรัดจ้างบ่ได้เกี่ยวงานหนักยากครับ บ่ขวัญเศร้า นายตอนนี้ว่าให้ฟังพ่อค้าวเอ้ยคน นะบักตูกานมันพาล่มจม โอ้ๆอีหน้าคุณหนุ่มภูมิใจหลายอยู่บ่แล้วกะย่างยิ้มอยู่ นะยายบุญกอบฝันหวัง โยติกาผักไว้มีผัวใหม่พลดใจดีพ่อแก้วอยู่ นะที่เห็นก่อนเห็นมัน เอ้อเอ้ยโอโอโอโอโอโออ้าวเฒ่าโกยมื้อคืนนั่งบ่ปากบ่ติ่งนั่งติ่งไฟบ่แม่นแมว คั่นเว้าค่อยๆก็ได้ดอกอีนางมันสิได้ยินมันสิฮ้ายเอาล่ะเว้าค่อยๆก็ได้ข่อยมันหูบ่หนวกดอก Bó khai de llín bánh đẩy No De llín Anh leu més chau quảnh vay thau